พระธรรมเทศนาแผ่นที่51ดลำดับที่ส4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่เจกรกฎาคม2556หมีชื่อเรื่องว่าพระกระดาษทรายวันนี้เป็นวันที่เจกรกฎาคมพุทธศักราช2005 ร้อสบหวันนี้เป็นวันรับนาคนาคที่จะเข้ามาบวชหลวงพ่อประกาศรับตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันเสาร์ตั้งแต่วันที่หกผู้ที่จะเข้ามาบวชก็เข้ามาได้เขามาพร้อมกันวันที่หกกรกฎาคมทําไมหลวงพ่อจึงประกาศอย่างนั้นคือทุกปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะบวชหลวงพ่อประกาศให้นาคที่จะเข้ามาบวชมาก่อนสองอาทิตย์คืออาทิตย์แรกหลวงพ่อจะให้มาเตรียมพร้อมเตรียมตัวเข้ามาว่าใครบ้างจะบวชแล้วก็พระผีเลี้ยงจะได้จัดอัฐิบริขารคือบริขารแปดของพระถ้าหากว่าองค์ไหนที่มันขาดเหลือขาดตกจะได้เย็บได้ย้อมได้ ทำให้เรียบร้อยเรื่องอัฐพลิขานบาทจีวรแล้วก็พร้อมกันหน้าก็ได้ฝึกซ้อมนากร้องทานองเอสาหังถ้าว่าใครได้ท่องใดแล้วก็เออมาฝึกทานองให้มันเข้ากันเพราะว่าการที่เข้ากันที่หลวงพ่อเคยพูดอายุพรรษาใครมีอายุพรรษามาก คนนั้นก็บวชก่อนเนี่เป็นอาวุโสเมื่อบวชเสร็จแล้วก็เป็นผู้นําเป็นผู้เดินก่อนนั่งก่อนเป็นอาวุโสเป็นผู้แก่กว่าเพราะฉะนั้นองค์ที่สองรองลงมาอายุรองออกมาตามลําดับคือนับอายุเรียงอายุจากนั้นเวลาขา น, นาคมันเรียงกัน มันไม่ใช่สลับกันไม่ใช่ว่าคนเสียงใหญ่เอาเสียงใหญ่คนเสียงเล็กเอาเสียงเล็กอันนี้คนมาจับใส่กันทั้งสามคนคือบวชทีละสามนะบวชทีละสามพอมาจับใส่กันคนหนึ่งเสียงเล็กคนหนึ่งเสียงใหญ่คนหนึ่งเสียงไม่เข้าหม่เนะ่ยพระพี่เลี้ยงปวดหัวแหละท่านจะต้อง เอามาขานนากให้เข้ากันเพราะฉะนั้นจึงมีจึงไม่ให้มาก่อนหนึ่งอาทิตย์เพื่อเตรียมพร้อมในการฝึกซ้อมนาคและก็เตรียมทอพร้อมเรื่องการดูแลบริขารของนาคที่จะบวชถ้าพร้อมแล้วก็เออเอาทุกอย่างแล้วก็บวชที่ว่ารับวันที่6จะบวชวันที่14 วันอาทิตย์ที่ส4บสี่คณะสัตยาติโยมที่เป็นญาติพี่น้องของนาคแจ้งข่าวให้ได้รับทราบร่วมกันเป็นวันอาทิตย์ที่สิบสเป็นวันบวชพระใหม่แล้วก็วันที่ยี่สิบสวันที่ยี่สิเป็นวันอาสารหาบูชาเป็นวันพระแล้วก็วันที่ยี่สบสาม เป็นวันอธิษฐานพรรษาแต่โดยมากคณะัตหาญาติโยมจะมาวันพระมากกว่าพราวันเข้าพรรษาันเป็นเรื่องของพระวันที่23เป็นทำพิณายกรรมของพระอธิษฐานพรรษาแต่วันที่22คณิบสองคณะจติโยมจะมาทำบุญแล้วก็เป็นวันอุโบสถของพระด้วยวันที่22่สิอพระใหม่ก็จะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำอธิษฐานพรรษาเรียนรู้เรื่องวิธีการแสดงอาบัติเรียนรู้เรื่องวินัยเบื้องต้นผู้ที่จะบวชในสามเดือนเพราะนั้นหลวงพ่อจึงกําหนดให้ก่อนที่จะบวชสองอาทิตย์คือให้มาเตรียมพร้อมทางเตรียมกายการเป็นอยู่เตรียมใจที่จะเป็นพระ ที่จะบวชเพราะนั้นจึงได้รับอย่างที่หลวงพ่อได้ประกาศให้กับนาคทั้งหลายแล้วก็ให้ญาติพี่น้องทั้งหลายแต่บางทิ้งญาติพี่น้องทั้งหลายก็คงจะไม่เข้าใจเพราะไม่เคยบวชไม่เคยทําพิธีกรรมอย่างนี้หลวงพ่ออธิบายให้ฟังให้พวกเราลูกหลานเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติละทีนี้เพราะเราเข้ามาอยู่ในระบบหนึ่ง ในระบบหนึ่งในกฎระเบียบหนึ่งพอเราเป็นพระจะให้เหมือนฆราวาสญาติโยมก็คงจะเรียกว่าไม่ใช่พระก็คงจะเรียกว่าฆราวาสญาติโยมในเมื่อเขามาบวชแล้วก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบหลักพระธรรมวินยัยที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินอย่างไรไม่มีใครที่จะนอกเหนือจากหลักพระธรรมวินัยไปได้ตั้งแต่หลวงพ่อตั้งแต่หัวหน้าจนถึงองค์สุดท้าย ต้องอยู่ในกฎระเบียบหนึ่งอยู่ในศีลและวินยัยศีลสองิของพระ น, นตลอดสามเดือนหรือมากกว่านั้นก็สุดแท้แต่ผู้ที่มีศรัทธาที่จะบวช ต, ตลอดไปไดยต่อไปภายภาคหน้าอันนั้นยังคอยว่ากันแต่อันดับแรกนี่ก็เป็นข้าราชการบั่งเป็นพ่อค้าบั่งขออนุญาตพ่อแม่อนุญาตอยากจะให้ลูกบวชทดแทนพระคุณของพ่อแม่บ้าง มีหลายอย่างที่ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นในเรื่องนี้ก็คือพรรษาปีส5หรสเราก็คงจะบวชกันวันที่14กรกดาคมนี่แหละนะแต่สาหรับคณะสัทธาติโยมพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะนี้หลวงพ่อเองก็อยากจะเตือนย้ำให้กับพวกเราท่านทั้งหลาย ไม่ใช่ว่าพระบวชเข้ามาแล้วหน้าที่ของญาติโยมคืออะไรอ่าไม่ใช่ว่าพระต้องทําอย่างงั้นพระต้องทําอย่างนี้พระเป็นอย่างโน้นพระเป็นอย่างนี้เฮ้เดี๋ยวนี้พระกําลังกิติศัพท์กำลังโด่งดังคะแต่ตามไม่จริงมันก็มีส่วนมีส่วนผิดพลาดเพราะว่าพระก็เป็นไม่ใช่เอาพระเอารหันมาบวช ถ้าไม่ไม่ใช่เอาคนที่มีหมดกิเลสมาบวชพอบวชเข้ามาแล้วก็นี่แหละแปลกแต่ต่างไปบ้างเหมือนกับทหารตำรวจพิพากษาอายการครูบาอายการพี่น้องประชาชนถ้าอย่างนั้นคงจะไม่มีคุกไม่มีตารางให้อยู่พวกเราคงจะไม่มีการสร้างคุกสร้างตารางที่สร้างคุกสร้างตารางให้ใสนะกัเพื่ออะไรก็เพื่อคนที่ไม่ดีคนชั่วคนที่ทําผิดกฎหมาย สั่งคุกสั่งตารางให้อยู่อันนี้ก็เหมือนกันในหลักพระ ร, รมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ปรับอาบัติกับผู้ที่กระทำผิดก็มีอยู่ในข้ั้งนูน้นสมัยนี้ไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้ไม่ว่ายุคพระพุทธเจ้าไม่ว่ายุคไหนๆก็มีอยู่แต่ถึงยังไงก็ตามอย่างที่ในศาสนาของพระเยซูก็เหมือนกัน พระเยซูที่ถูกจับหลวงพ่อได้อ่านในประวัติพระเยซูคล้ายๆกับว่าท่านก็เป็นธรรมนะแต่จะว่าไปแล้วเมื่อเขาจับสมัยก่อนถ้าว่าผู้หญิงทำความชั่วเสียหายนอกออกนอกลู่นอกทางออกนอกใจสามีอย่างเนี้ยถ้าเขาจับได้เขาจะเอามามัดใส่ต้นไม้ต้นเสาแล้วก็ ปัจจานแล้วก็ก้อนหินท่อนไม้ใครมีอะไรเหวี่ยงเข้าใส่ฆ่าโดยแบบที่ว่าทนทุกทรมานนะแต่พระเยซูบอกว่าข่าพระเจ้ามาเห็นด้วยที่จะทำอย่างนี้เอาเขามัดเสียตนเสาไว้แล้วพระเยซูประกาศว่าใครนึกดูตัวเองสิในนึกให้ดูตัวเองสิว่า ข้าไปเจ้าไม่เคยทำผิดเลยในการทั้งคิดก็ไม่คิดผิดทำก็ไม่ทำผิดพูดก็ไม่พูดผิดอยู่ในบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งหมดถ้าว่าคิดมองดูตัวเองแล้วว่าข้าไม่ผิดเอาคนนั้นให้เอาก้อนหินเวียงใส่คนอื่นได้เพราะเหตุไรเพราะตัวเองบริสุทธิ์แล้วคนอื่นผิดใส่เวียงใส่ได้ขวางใส่ได้ แต่ถ้าว่าตัวเองยังเปื้อนเปืะเละเทอะอยู่เป็นคนชั่วอยู่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอยู่แล้วจะไปทำให้คนอื่นเขานะ่อันนั้นคือความไม่เป็ น, ป น, ปนธรรมฮความคิดเห็นพระเยซูนะหลวงพ่อเออเข้า่าได้จากนั้นคนทั้งหลายพอพระเยซู ป, ประกาศต่างคนก็ต่างมองตนเองเอไม่มีใคร คว่างท่อนไม้ก้อนเห็นใส่ผู้หญิงที่เขามัดไว้นะ่ะที่ว่าทําความชั่วที่นอกใจสามีอไม่มีใครขว้างเพราะต่างคนก็ต่างมองตัวเองทั้งฝ่ายชายก็เออเราก็นอกดูนอกทางเหมือนกันบางครั้งฮะต่างฝ่ายผู้หญิงก็จะไม่ไม่ใช่ว่าจะคิดดีอย่างเดียวคิดออกนอกลกูนอกทางก็มีถึงจะไม่ได้ทําก็คิดอจิตใจของเรามันยังคิดออกไปอยู่เพราะฉะนั้นใจของเรามัน มันใครล่ะจะเป็นบริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ไม่มีใครที่จะทาได้ไม่มีใครที่จะเวียงค้อนก้อนหินใส่ผู้หญิงที่เขามัดอยู่ได้ประกาศไม่มีใครทำเพราะว่าตัวเองตัวเองเขามองตนเองใช่ไมต่างคนก็ต่างมองตนเองข้าไม่บริสุทธิ์ที่จะถึงขนาดนั้นผลริสุทธิ์เขาเอาปลอยถ้าไม่มีใครทำ พอปล่อยเท่านั้นหละผู้หญิงคนนั้นโอ้โหหายเข้ากีบเมฆเลยตเตละเปิดเปิงตะลังเปิลเปิอกไปที่ไหนคงไม่รู้นะเนี่ยพอหลอดตายหนีไปอย่างฉุดริ่มเข้าขอบฟ้าจักรวาลไปเลยนะหายเงียบไปนี่แหละอันนี้ก็คือสนวนหนึ่งที่หลวงพ่อได้ฟังอันนี้ก็เหมือนการถ้ามาเปรียบเทียบกับในยุคนี้สมัยนี้ถ้าเราประนามท่านองค์นั้นพระองค์นี้ เราจะคิดดูเราใช่เราบริสุทธิ์ผุดพองอในกายวาจาจใจของเราบริสุทธิ์ผุดพองขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้ถ้าเราคิดแล้วก็คงออ้าปากด่าคนอื่นก็คงจะไม่ปาด่าเต็มที่ครึงขึกลางกลาอู้อู้ออออออเหมือนกับ น, น้ำพรมปากคงจะมีอยู่อันนี้หลวงพ่อไม่ได้ปกป้องคนชั่วนะไม่ได้ปกป้องพระชั่วแต่ให้มองตนเองทุกคนต้องมองตนเองบ้าง แต่มันผิดไหมที่คนที่ทำผิดมันทำไม่ถูกแต่ว่าตามไม่จริงก็ควรจะลงโทษแต่บางองค์ที่ท่านลาสิกขาไปแล้วแต่ท่านให้แนวความคิดและแนะนำบอกกล่าวแสดงทำแนะนำสั่งสอนเป็นที่เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังผลในสุดท่านก็เทลาสิกขาไป อสรุปแล้วก็คือแพ้ภัยของกิเลสบางคนก็บวกว่านาลีพิฆาตตามไม่จริงล้มพ่อพิฆาตโดยกันนั่นแหะถ้ามีแต่นาลีพิฆาตอย่างเดียวพระไม่พิฆาตนาลีมันคงจะไม่ปคงจะไม่ใช่คงไม่เป็นอย่างนั้นมันคงจะตกมือทั้งสองข้างมันยังดังแป๊ะถ้าตกมือข้างเดียวมันคงจะตกลงตบแรงไปฮะ อันนี้ถ้าตบทั้งสองข้างมันก็ตรงดังเป๊ะยะแหมมันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมาแต่ผิดไหมมันก็ผิดเอเป็นที่สลดหดหูของชาวพุทธของเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่เรามาคิดมาพิจารณาดูแล้วเขาก็มาถามหลวงพ่อเหมือนกันตรงพ่อเห็นด้วยไหมหลวงพ่อเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงหลวงพ่ออืมท่านคงไม่ได้ลึกถึงความตาย ถ้าท่านระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คงจะไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็คงท่านคงจะลืมลืมระลึกถึงความตายแหมเหมือนกับนกยุงรักษาพรห ม, มจรรย์ถึงเจ็ร้ปีอยู่ตามลําพังคนเดียวอยู่ตัวเดียวอยู่นบนยอดเขาเอตอนเช้ามากะท่องคาถาอุเทตยันจกุมาเอกราชาฮารสวรรณโนปทวิปภาโซ ขอเทพเจ้าเราเทวาพรภพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สิ่งศักิ์สิทธิ์คุ้มครองข้าพเจ้าตลอดทั้งวันด้วยเทินข้าพเจ้าจะทานอาหารหจะลงเลี้ยงชีวิตในวันนี้ขึ้นบนยอดเขาเราเห็นพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมากับอุฒทิเทตยันจุกุ ม, มาพอกินอาหารตอนเย็นจบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมปบนยอดเขาอีกพระอาทิตย์ก็จับรับเหลี่ยมภูเขาลงพระอาทิตย์ตก นกจูงทองตนั้นก็อเปตยันจักกุมาเอกราชาหาลิสวรรณโอปทาวิปปาพาโซข้าพเจ้าหากินอาหารตลอดทั้งวันแล้วข้าพเจ้าจากนี้ไปพระอาทิตย์ลับเขาลงไปแล้วจะมืดแล้วขอเทพเจ้าเหล่าเทวาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าจะพักผ่อนนอนใน เขาในละแวกนี้คือนกยุงทองทีนี้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นทั้งพระอาทิตย์ตกและลึกถึงคุณงามความดีและลึกสิ่งศักดิ์สิสสสทธิ์คุ้มครองแต่มาวันหนึ่งพวกที่เขาจะจับนกยุงทองเขามาจับถึงเจ็ดกษัตริย์ตายไปแล้วเจ็ดคนจังจับไม่ได้ แต่ทในานายพลานคนหนึ่งเขาหัวดีแท้เลยเอ้นกยุงทองมันอยู่ตามลําพังเนี่ยมันจะไม่มีกิเลสมันคงไม่มีมั้งอนกยุงทองเขาก็เลยไปเลี้ยง เ, เป็นเลี้ยงนกยุงตัวเมียขึ้นมาเลยหานกยุงที่ตัวสวยๆท่าทางลักษณะดีลักษณะยาการนะดับเป็นนกต่อนะอธรรมดานกต่อมันก็ต้องมีลักษณะท่าทางเสียงเพลาะอีกต่างหากค่ะ แสดงเขาก็เลี้ยงอย่างดีพอตอนเช้ามาก็นกยุงตัวนี้มันก็ร้องใช่ไหมนกยุงทองมันก็ร้องอยู่บนยอดเขาอเุเทตยันจะกูมาเอการาซามก็แต่มันก็ร้องอ๋อแต่แต่ว่าความหมายของมันเนี่ยมันก็คงล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ล, ลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่อพอนกยุงตัวเมียได้ยินมันก็ร้องขึ้นมาร้องรับเหมือนกันเอ่มันก็คงจะร้องเพลงเน่ย ยอดที่รักษาอยู่ที่ไหนก็จะคงจะว่าอย่างนั้นที่นกนกยุงตัวเมียเนี่ยใช่แต่ตัวนั้นเน่ยกล่าวคาถาใช่ไหมแต่นกนกยุงเนี่ยกล่าวาถึงความรักล้ำพันถึงความรักเอในคู่หัวกผัวเมียใช่ไหมละ่ะพอในนกยุงทองตัวผู้ที่บนจุนบนยอดเขาเนี่ยนะลืมเชื่อว่าสาธยายพระคาถาไม่จบเหงั้นกันเถอ คงจะอุดเท่เดียวที่คงจะได้คําเดียวใช่ไหมนะ เ, เออถลายลงมาจากภูเขาเลยเอพอได้ยินเสียงนกยูงตัวเมียมันร้องเอะที่นายพานเข้ามาดักไปเขามีตะข่ายล้อมรอบหมดแล้วอฮ้ปิ้งลงมามันคงจะมันคงจะปิ้งในใจนกยูงเหมือนกันว่างั้นแต่ถลาเลยเออพะกิเลส่งกิเลสกรรมมาลาค่ะมันก็ถลําลงมา โดยที่ไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นั่นเห็นแต่ตัวเมียโดเข้ามาก็ติดบ่วงในผานฮนี่แหละสรุปแล้วก็คือนกจูงตัวนั้นลืมลืมกล่าวสาธยายพระคาถาไล่พระคาถาอย่างไม่จบเหมือนกันเลยเพอนกยูงตัวเมียมันร้องขึ้นมาอยู่ข้างล่างอก็เลยบินถลาลงมาก็ติดบ่วงในผานนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อจะไปพูดให้จบนะ พูดเพียงแค่นี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหาว่านกยุงทองตัว น, นั้นนึกถึงมรณะนุจติและนึกถึงอสุภะปฏิกูลร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดแก่เจ็บตายจะหาความสวยงามที่ไหนร่างกายจะไม่เป็น อ, อสุภะปฏิกูลท่านนกยุงทองอตัวผู้ตัว น, นั้น่ล้ำลึกอยู่อย่างนี้ก็คงจะไม่คงจะไม่ติดบ่วงในผ่านะ อันนี้ก็คงลืมไปนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันส่วนที่สองอการที่จะแสดงทำทำไมท่านทาพูดแสดงทำได้ไพเราะเพาะพิพ้งเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายอันนี้มันก็เป็นวาทะเป็นวาจาพูดได้เหมือนกับท้องบุ่งหรือกระดาษทรายนะใครเคยเห็นเหล็กท้องบุ้งหมเวลามันไม้กรูกรามต้องใช้ท้องบุ่งก่อนขัด จอกันก็เอากระดาษทรายขัดอีกแต่ตัวกระดาษทรายมันขรูขระนะท้องบุ๋งมันกรูกขระเหมือนกันมันไม่ละเอียดแต่พอขัดไม้ไม้ละเอียดเนี่ยพราะเหตุไรเพราะกระดาษทรายมันขัดนก็คงลักษณะอย่างนั้นนะท่านว่าพระที่ไม่ได้ไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติไม่ได้ดูใจของตนเองเหมือนกับพระกระดาษทรายเรียกว่าพระท้องบุง๋ง ไม่ว่าแต่พระไลยศรัทธาญาติโจงก็เหมือนกันะครูโรงเรียนก็เหมือนกันอาจารย์อันไหนก็าตัดตำรวจทหารพิพากษาอายการก็เหมือนกันนะเราก็เคยได้ยินออพอครูสอนจริยธรรมในโรงเรียนนักเรียนทั้งหลายอย่าไปฆ่าสัตว์นะฆ่าคนอื่นเขาเขาฆ่าเราไปยังไงอาทินนาธานขโมยคนอื่นเขาเขามาขโมยเราไปยังไงอ ญาติพี่น้องของเขาถ้าเราไปทําไม่ดีกับเขาจะเป็นญาติพี่น้องของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราไปโกหกเขาเขามาโกหกเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราดื่มสุราเข้าไปและขาดสติทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะนั้นนักเรียนทั้งหลายอย่าไปดื่มสุรานะของสุรายาฝิ่นเฮโรอีน ของไม่ดียาเสพติดทั้งหลายเป็นของไม่ดีทั้งนั้นเพราะนั้นกรุกนักเรียนทั้งหลายอย่าทำฮะนี่ครูครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนพอเสร็จแล้วก็กินเลี้ยงกันพอจบแล้วพอมากินเลี้ยงกันทีนี่เขาก็เอาทั้งกลมทั้งแบนมาตั้งบนโต๊ะใช่ไหมครูโรงเรียนสอนศีลธรรมก่อนนั่นนะทั้งกินทั้งดื่มฮะ นักเรียนเขาก็ถามอา้าวอาจารย์เพิ่งสอนศีลธรรมมายกหยกทำไม่คุณครูมากินเหล้าหรอครูตอบว่ายังไงครูบอกเอ้ยถ้าหางว่าข้าไม่ดื่มไม่กินซะก่อนจะไปสอนสูเจ้าได้ยังไงต้องเรียนรู้ซะก่อนอต้องปฏิบัติทุก่อนะเออต้องกินเหล้าซะก่อนอจึงจะรู้จักว่ามันเป็นยังไงพิษภัยมันเป็นยังไงนี่แหละ มันลักษณะอย่างนั้นแหละอันไี้คล้ายๆยๆก็ว่ามันสอนแต่คนอื่นแต่ตัวเองทําไม่ได้ตามไม่จริงถ้าหากว่าเราอยากจะให้คนอื่นดีเราก็ต้องทําดีให้คนอื่นดูจะจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดูอย่างหลวงพ่ออยากจะให้ลูกศรริษย์ลูกหาอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นคนพระที่ดีหลวงพ่อก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดู พ่อแม่อยากจะให้ลูกหลานดีที่เป็นปู่เป็นย่าเป็นพ่อพ่อเป็นแม่อยากจะให้ลูกหลานตัวเองเป็นคนดีก็ต้องทําดีให้ลูกหลานของตนเองดูฮะนี่แหละอันนี้กามันต้องมองตัวเองทั้งหมดให้มองเจ้าของให้ดูเจ้าของให้ดูตนเองถ้าดูตนเองอย่างนี้แล้วนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบรื่นไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม เพราะนั้นขอให้พวกเราพรักชาติญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอย่าไปเพ่งมองออกไปข้างนอกจนเกินไปเห็นเขาว่าก็ว่าไปตามเขาโกรธโมโหโกธาโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนในครั้งพระพุทธเจ้ายิ่งกว่านี้ไปอีกขนาดพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเทนสนาว่าการปโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายคนนับถือเลื่อมใสทุกหัวและแห่งไปแต่ไหนที่ไหน ทั้งห่อเหินเดินฟ้าได้อีกดำดินบินบนได้อีกอีกสแสดงอิทธิฤทธิ์ได้อีกรู้อดีตอนาคตครบถ้วนบริบูรณ์สยามภูรู้แจงโลกแต่ขนาดนั้นยังมีอริยังมีอริยังมีศัตรูพระเทวทัตยัยงจะฆ่าพระพุทธเจ้าอีกอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าอีกถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วนี่แหละมากหลากหลายในแนวความคิด กิเลสมันไม่ใช่ธรรมดากิเลสกับธรรมธรรมกับกิเลสโลกกับธรรมธรรมกับโลกเนี่ยเรียกว่าอะธรรมกับธรรมอะธรรมก็คือความชั่วธรรมคือความถูกต้องมันเป็นคู่อริคู่ศัตรูกันมาตั้งแต่ดึกดำบรร น, นี้ก็เหมือนกันคนดีคนชั่วพระดีพระชั่วข้าราชการดีข้าราชการชั่วนักการเมือ ง, องดีนักการเมืองชั่วมันมีได้ทุกแห่งหนนะั่นะ เพราะฉนั้นโลกนั้นมันเป็นโลกโลกหาได้จะหาดีหรือหาชั่วเราจะหาดีก็หาได้จะหาชั่วก็หาได้จะหานาลกสวรรค์ใส่ตนเองก็ได้หาความชั่วช้าเสียหายลามกจกเป็ดใส่ตนเองก็ได้จะหาคุณงามความดีใส่ตนเองก็ได้โลกในโลกหาได้คุณแม่ชีแก้ววลีของคุณแม่ชีแก้วที่ท่านบอกไว เป็นว ล, ลีที่วัดทันสมัยพูดคือมาเมื่ อ, อไหร่เออใช่ถูกต้องเออโลกในโลกหาได้จริงๆท่างว่าใครอยากจะหาอะไรมาใส่ตัวเองก็หาได้เพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนควรจะหาแต่สิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีเข้ามาใส่จิตใส่ใจของพวกเรา สิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดแล้วก็พร้อมกันในพรรษาที่จะถึงเนี่ยไม่ใช่จะให้แต่พระใหม่บวชนะพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะบวชใจอีกเหมือนกันคณะศรัทธาญาติโยมในพรรษาในข้าพเจ้าจะทำอะไรสามเดือนที่จะถึงเนี่ยวันนี้อีก15วันข้างหน้าน่าจะวางแผนตัวเองได้แล้ววางแปนวางแผนชีวิตของเรา เราลุ่มหลงมัวเมามาตั้งแต่เกิดพูดง่ายๆตั้งแต่เกิดมาถึงบัดนี้เราเรามีคุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจและอย่างศีลธรรมอยู่ในจิตใจของเราเป็นที่พอใจและอย่างเป็นที่สบายใจและอย่างพอและอย่างบุญกุศลที่ที่เราได้สั่งสมมานี้ถ้ายังไม่พ อ, อควรจะตั้งตนใหม่ควรจะวางแผน ชีวิตของเราเราก็ส่องแสวงหาทรัพย์มามากแล้วหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่พูดง่ายงหาปัจจัยสี่ก็คือหาเงินส่องแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพเครื่องเลี้ยงชีวิตอาหารการบริโภคหาเงินมากืซื้ออาหารการบริโภคทำไร่ทำนาก็เพื่ออาหารการบริโภค แล้วก็ผ้านุ่งห่มได้เงินมาก็ซื้อเครื่องนุ่งห่มถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาซื้อยามาบริโภคยาแก้ปวดแก้ไข้แก้ท้องอะไรทุกอย่างแลว่ายาแก้โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนเราได้ปลูกขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้คือปัจจัยสี่ที่เราหา ไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนทําการทํางานทั้งวี่ทุ้งวันเพื่อได้เงินเดือนมากันเนี่ยมาเพื่อดูแลปัจจัยสี่ให้ตัวเองหรือครอบครัวของตัวเองหรือวงศาคณา ญ, ญาติญาติของตัวเองนั่แหละปัจจัยสี่เมื่อเราสแสวงหามากขนาดไหนเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายเนี่เลี้ยงไปเท่าไหร่ก็อีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าก็จะเห็นผมขาวออกมาแหละ เห็นผมหงอกฟันหลุดตาฝ้าฟางหูตึงหนังเหี่ยวพลที่สุดกวนาะถ้าไม่ตายง่ายอายุแป9 0้าสิปีก็อนอนกับที่มีแต่ตาเลื่อมแมบแมบเท่าถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็นเลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายมันมีจุดจบอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือวิถีวิถีชีวิตวิถีทางเดินของร่างกาย พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายมันไปลักษณะอย่างนี้เให้ลองมองเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะเรามองเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ี้พระพุทธเจ้าท่านว่ามันมีควรจะศึกษาเรื่องของใจนี่แหละเรื่องของใจนามธรรมคือตัวผู้รู้คือตัวนึกคิดน่ตัวรู้ๆอย่างนีย อันนี้แ่ละคือนามะธรรมแต่ร่างกายเนี่ยคือรู ป, ปรธรรมแต่จิตใจเน้นนามะธรรมต้องดูให้ดีนามธรรมเนี่ยส่งเสริมเออเพราะเอหาหลักเหตุผลเข้ามาเอแก้ไขปรับปรุงใจของตนเองให้เป็นคนฉลาดก็ได้ให้เป็นคนโง่ก็ได้เอให้เป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้หาได้ทั้งหมดอย่างที่คุณแม่ชีแก้วพูด เพราะนั้นได้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่ามาโนปุพังกมาธรร ม, มานะเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจคือร่างกายเนะี่ยมันไม่สําเร็จมันอย่างที่ว่านนะจากนั้นม า, อาพอตายไปแล้วไม่เผาก็ฝังฮนะก็ะเท่านั้นแนะ่ะแต่จิตใจเนะี่ยมันไม่ตายนะพระพุทธเจ้าท่านศึกษาค้นคว้าไม่ตายนะจิตใจนะี่ย ออกจากร่างนี่ไปปฏิสนธิอีกนะจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นพระมหาเถระในยุคสมัยนี้พอท่านได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาท่านก็นำมาประพฤติปฏิบัติแบกกฎตะพายบาทเข้าอยู่ป่ารงพงไพไปอยู่ในถ้ำภูผาป่าไม้ที่เงียบสงบไปนั่งคิดกันกรองไตรตรอง ตามที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไว้เนี่ยมันจริงไหมพอปฏิบัติไปแล้วจริงอยอมรับถามองคไหนก็องค์นั้นใช่พอนั่งภาวนาจิตใจสงบเข้าไปแล้วกายกับใจเป็นคนละอ่านกันเห็นได้ชัดทันว่างั้นแต่หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้พวกคณะสัายาิโยมลูกหลานได้ฟังอีกว่าชัดขนาดไหน ลงพอ่อเขาบอชัดขนาดที่ว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถเหมือนกับโซเฟอร์อย่างนั้นแหละเข้ามาอยู่ในร่างกายโซเฟอร์ถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนนามธรรมแต่ว่านามธรรมที่มันมองไม่เห็นแต่พวกเราเห็นเห็นเห็นรถน่ะเห็ น, ห น, ห น, หนแต่โซเฟอร์นะเห็นอแต่ว่าถ้าหากว่า เ, เรามีสมาธิแล้วน่ะจิตใจของเราสงบนิ่งลงไปแต่จะ น, นิ่งจริงๆริง เราจะเห็นเหมือนเราเห็นโซเฟอร์นั่นะมันเห็นในความรู้สึกของเราเองแต่คนอื่นไม่เห็นนะแต่ตัวเองเห็นตนเองเหมือนข้าไป้าวเนี่ยเหมือนกับโซเฟอร์ร่างกายถึงเหมือนกับรถถ้าว่ารถเนี่ยมันจะราคาแพงขนาดไหนก็เถอะถ้าไปจอดไว้โซเฟอร์ไม่เข้าไปขับมันจะไปได้ไหมถ้าว่ามันขับมันทะเลาะถไลไปกันนั่นหละไปวันรถขนาดผิดปกติแล้วนี่อันนี้ก็เหมือนกัน ร่างกายของเราก็ลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องโซเฟอร์มากกว่ารถในหลักธรรมคำสอนแต่พี่น้องประชาชนโลกทั้งโลกไม่รู้ว่ายุคไหนสมัยไหนเขาให้ความสำคัญเรื่องรถมากกว่าโซเฟอร์นี่แหละนีะ่โซเฟอร์เนี่ยปรับปรุงแก้ไขได้จะให้โง o จะให้ฉลาดจะให้เป็นอริยบุคคลพระโสดาสกทาคาณาคารหันคือโซเฟอร์ แต่รถนี่เท่านั้นแหละอย่างรถของพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระวรากายของพระพุทธองค์ผลนิสุดก็จุดตินิรพานได้ถวายพระเพลิงที่เมืองกุชินาราแต่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นคือพระไทยของพระองค์นั่นแนหะเข้าสู่นิพพานนี่แหละนี่แหละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราคณะจัตวาญ า, าติโยม ในพรรษานี้เราควรจะมาฝึกเรื่องนามธรรมฝึกโซเฟอร์ให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักเคดพูดง่ายๆอย่าไปซื่อบือ้อไปเมาแต่รถอยู่กับรถตัวเองอยู่ตลอดเวลาเออมีทหารํามันมาให้รถอยู่ตลอดเวลาเออแล้วก็หาอะไรมาให้รถยางรถแตกก็หาอะไรมาใสา่รถเออมีแต่มั่วอยู่กับรถไม่ได้คิดว่า ตัวเองต่อไปภายภาคหน้านะถ้าลถคันนี้เสียนะเรามีเงินในกระเป๋าหรือยังกระเป๋าเรามีเงินหรือยังมีเพชรนินกินดาหรือยังเนเมื่อลถคันนี้ถึงจะทนุถนอมดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งนะมันจะเป็นเศษเหล็กนะโชเฟอร์นะโชเฟอร์ได้คิดหรือยังถ้าโชเฟอร์ไม่ได้คิดต้องคิดไว้ต้องลดคันนี้ต้องเป็นเศษเหล็กแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น ในเมื่อเป็นเศษเหล็กแล้วเรามีเงินไหมในกระเป๋าไหมที่จะไปหาซื้อรถคันอื่นอีกต่อไปถ้าเราไม่มีเงินในกระเป๋านะเ อ, อขีดกากระบาดไปเลยเลยต้องทุกข์แน่ๆเพเหตุอะไรพอรถคันนี้พังไปแล้วกันนะออกจากร่างนี้ไปก็ไปเกิดเป็นหมูหมากาไกาแ่แหละเพราะตัวเองไม่ได้เตรียมพร้อมเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ อ, อ, อย่าที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นนะ หลักพิสูจน์คืออย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพิสูจน์พยายามนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบถ้าเมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครรับพร อ, นะอนุมโมทนาให้พอ